มากที่สุดเท่าที่จะมากได้บอ ก, กจิตว่าจะเพื่อรับรองในสิ่งที่ยึดถือนั้นว่าน่าชอบหรือหน่าชังเอามาเพ่งพินิษพิจารณาดูกันก่อนแล้วก็จับพินิษพิจารณาดู ก็ย่อมจเห็นได้ว่าจิตประกอบด้วยตัณหาจิตประกอบด้วยราคะหรือโลภจิตประกอบด้วยโทสะจิตประกอบด้วยโมหะเป็นจิตที่ดิ้นรนกัดแกล้งกระสับกระสายไปตามกิเลส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 ก็จะเริ่มได้ทันทะคือความพอใจและด้วยอำนาจแห่งคือความพอใจลมให้ใจเข้าออกยาวหรือสั้นก็จะละเอียดเข้า ต่อจากนี้ก็จะได้ปราโมทคือความบันเทิงเมื่อได้ปราโมทคือความบันเทิงลมให้ใจเข้าออกยาวหรือสั้นก็จะละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกจนถึงจิตนี้กลับจาก